วิ We, ไม่ใช่อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากหรือของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากหรือของบุคคลใดกำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่หอนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกาลังเกิด ส ภ, hey. ส, ส, สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤดของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิสภาวะธรรมท Smooth. ี่เป็นอัพยากิดของบุคคลใดกำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุโลมโอกาต้หสิบหอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศนในภูมิใดกำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิใช่ ปติสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใด้กำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใด้กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิใช่ปติสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใด้กำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ ใน อ, ใน in ในอนสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตกำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในจต eh? uh, ุโวการภูม like ิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตกำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิดร้อหสิบอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใด้กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหม วิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใดกำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตกำลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในแจกตุวโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตกำลังดับ และสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังเกิดอนุโลมมปุขคโลกาต์ร้อยหิเจอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิไม่ใช่อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากรของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากรของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ใชร้รอหกสิบดอนุ สภ <im sharing> าวะธรรมที <ş ir> <design> ่เป็นอกุศนของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปจเนกบุคคลร้อหเกอนุ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังค์ขขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัต และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและๆๆสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับ แต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแ ห, ห, ห่งจิตที่วิปยุจจากอากุศลในอุปาทคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันยสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอภัภยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในปวัติการสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิดนี้ใช่มีกำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลในประวัติการในพังคขขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในอรูปภูมิ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกายฤทก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกายฤทของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอภยกายฤทของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทะณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลในประวัติการในพังค้ขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากล็ดของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิดรอยเจดสิ 170. อนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กาลังเกิด สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตมิใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอกุศนในประวัติการ ในพังค์ขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากรก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากรของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศล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 สภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป <loo>. ็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิ กำลังดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นภูสนในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิไม่มีร้อเจอนุสภาวธรรมที่เป็นอภุสลในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริดในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิกําลังดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับ สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั Ala, <S <s ้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีปจเนครปุกโคลกาด้อเจ็สบสาอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังค์าขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นอก uh ุศลมิใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งจิต ท, ท, ที่วิปยุจจากกุศลในพังค ข, ขณะแห่งจิต ท, ที่วิปยุจจากอก uh ุศลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็น uh อกุศลก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอกุศลในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้อุบาจอยในอสัญญัตตภูมิ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 แต่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิไม่ใช่เมื่อกำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิบยุทธจากกุศลในประวัติการในพังค ข, ขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอภยายกฤต ก, ก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากลิทของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤยของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทัขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลในปวัติการ hardcore hardcore hardcore. ในพังคขคขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในอรูปภูมิ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 สภาวะธรรมที mm ่เ hmm. ป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั Main ้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลในประวัติการในพังคขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในรูปภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิกของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปทาทขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปทาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอกุศลในประวัติการ ในพังค์ขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลในรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัปยากริยของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิด ร้อยเจ็ดอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพญากริของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหม วิใ oui, pues, ช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากลิ่นของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อยเจ็อนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภยากลิ่นของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากลิ่ของบุคคลใดเคยดับ สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุโลมโอกาตร้อยเจ็ดสิบเจ็อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดเคยดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิ ส, สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใดเคยดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเคยดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดในจัตุวโกราภูมิและปัญจโวโกราภูมิ ในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิดร้อ็อนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในอาศัยสัจภูมง ในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิ่เคยดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยเกิดในจัตุวกรภูมิและปัญจวกรภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤินเคยดับและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยเกิดอนุโลมปุขคโลการ้อยเจเ็ดสิบอนุน uman, สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมนิ น, น, นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตที่เป็นอกุศลดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิด บุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตโวกรภูมิและปัญจโวกรภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิดอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมยยิใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพญากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพญากฤิขของบุคคลใดในภูมยยิใเดเคยดับ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิต ด, ดวงที่สองของบุคคลผู้อุบตัติในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบตัติในอสัญญสัตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบตัติในจัตุโวการภูมิและปัญจโวกรภูมิ สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิดร้อแปดสอนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิขของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม เมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัญิสัตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิขของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยเกิด ปาเจนิกะบุคคลร้อยแปดสิเอ็ดอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิไม่มีปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิด สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริยของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิไม่มีปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีร้อปอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคนนลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิไม่มีปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอภยยากรืของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอคุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปจเนฆาโอกาปสอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอคุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอคุสลในภูมิใดไม่เคยดับ สภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปติสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกริตในภูมิใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีร้อแปิบสีอนุ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมิใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปจเนกรปุขโลกาตร้อยแปดสิบห้าอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเมื่อจิตที่เป็นอกุศลดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสศัญยสัตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด และสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่เคยดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคล ผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิก็ไม่เคยดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ร้อยแปดสิบหกอนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากรือของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญิสสัตภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สภาวธรรมที no ่เป็นอัพยกฤะดิบไ่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัต <ástico> ิในสุท่าว่าสภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤะก็ไม่เคยดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิใช่ 3. อนาคตาวาระอนุโลมบุคคล1 8ออนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดจกเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิ บุคคลจกได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดจักเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤะของบุคคลใดจักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหันตมรรคและอรหันตบุคคลสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกระของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จักเกิด บุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นอัภยากลิของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็จักเกิดร้อแปอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจักเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอพยากลิของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักและอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวะธรรมที่เป็นอัยยากลีของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้สภาวะธรรมที่เป็นอัยยากลกียของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็จกักเกิดอนุโลมโอการอปสอนุ สภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดจกเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดจกดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดจกเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิในภูมิใดจักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิในอสัญยสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิจจักดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จักเกิดในจัตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิจจักดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็จักเกิดร้อเก้าสบอนุ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดจกเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมิ Origin, ies, นั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักเกิดในจัตุโวการภูมิและบัญจโวการภูมิ ในภูมินั้นสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤิจักดับและสภาวธรรมที ENNIS, ่เป <lawsuit royable. S 1> ็นอกุศลก็จะเกิดอนุโลมปุคะโลกาศร้อเก้าสบอดอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้น สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัจูในจัตุวโกรภูมิและปัญจโวกราภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักเกิดใช่ไหม วิใช่อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอภิยากรของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากรของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหันตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากิดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจูในจัตุวการภูมิและปัญจวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากิดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็จักเกิด1 9อออนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิด สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤดของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จากดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤดของบุคคลใดในภูมินในดจากดับสภาวธรรมที่เป็นอคุศลของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมรักและอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบาติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัจูในจัตโตโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกายหรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็จักเกิดปัจเนกาบุคคลร้ออนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิด สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู player, พ้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักและอรหันตบุคคลสภาวธรรมที่เป็น ja? อกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่จักเกิดอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักและอรหันตบุคคลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิกไม่ใช่จักไม่ดับในพังคะขณะแห่งปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิ ก, ก็ไม่ใช่จักดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ร้ 94. อยเก้าสิบสี่อนุ สภาวธรรมที่เป็นอคูสนของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมรักและอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิ great, ไม่ใช่จักไม่ดับในพังข้าขณะแห่งปัจฉิมจิต สภาวะธรรมที่เป็นอคุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอพยากฤิกก็ไม่ใช่จักดับปาิสภาวะธรรมที่เป็นอพยากฤิกของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวะธรรมที่เป็นอคุสนของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปัจจนกาโอกาอก้าสิบหอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุสลในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตในภูมิใดไม่ใช่จักดับ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 ปจเนคบุคโลการ้อเกาสิบเจอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จา ก, กดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลจักได้อรหัตรมมรรคในลำดับแห่งจิตใด ในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้ น, นไม่ใช่จักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วย อ, อรหัตธรรมะอรหันตบุคคลและบุคคลผู้อุบาติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่จักเกิดอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤหของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอรหันตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัยใสัตวภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤรไม่ใช่จักไม่ดับในพังคฆาขณะแห่งปัจฉิมจิตสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิด และสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิก็ไม่ใช่จักดับปาิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ร้อเก้าสบปอนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมรักและอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัญสัตพภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัปยากฤิตไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขนาดแห่งปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิด และสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤึกก็ไม่ใช่จักดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤึกของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่